าตามสบายเมือ่อวานนรมานําข้อเขียนของพระอาจบบรารย์ไปสารมาลงเฟซบุ๊กข้อเขียนนี้ก็อ่านแล้วเกิดความสะดุดใจเหมือนกันเพราะว่าใจความในข้อเขียนอาจารย์ไปสาลพูดถึงเรื่องการปล่อยวางวิใจความว่าการปล่อยวางเกิดขึ้นจากการทำความดีจนมีความรู้สึกเอิบอปอ่นใจและมั่นคงภายในอีกทั้งได้เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้ง ว่าไม่มีสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าคุณทำสองประการนี้ได้ครบถ้วนชีวิตก็จะมีแต่ความสุขทุกที่ทุกเวลาแม้เราไม่ติดกับชีวิตเรื่องความตายหรือเราไม่ชอบแต่เราก็สามารถพร้อมที่จะตายได้นัการปล่อยวางก็ต้องทำสอประการแบบที่อาจารย์เป็นสารพูดคือปล่อยวางคือเราทำความดีมากๆทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน การทาความดีย่มากเนี่ยมันจะมีปิติหล่อเลี้ยงนะฮะช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อส่วนรวมแต่ที่สำคัญก็ต้องมีความมั่นคงภายในหมายหมายถึงว่าเราสามารถพึ่งตัวพึ่งตนเองได้สามารถอยู่คนเดียวได้ยามท้อแท้อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีกาลังใจถ้าเราเป็นคนที่ท้อแท้หรืออ่อนแอเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่มั่นคง อาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสักสักทำอะไรยังไม่ไม่บรรลุเป้าหมายเราก็เริกล้มซะ ก, ก่อนถ้ามีใครมาพูดไม่ให้กำลังใจเราหรือทำ้ายน้ำใจเราแต่ถ้าเรามีความมั่นคงเนะี่ยเราสามารถทำต่อไปได้โดยไม่สนใจว่าจะมีคนมาด่าเราไหมคนมาชมเราไหมคือเราไม่ได้ฝากชีวิตไว้คนอื่นอันนี้คือมีความมั่นคงภายในอย่างรับาลเนี่ยก็มีคนมา ถาปัญหาธรรมะเรื่อยเวลาเขาทุกข์อะ่ะ อ, อกหกักสูญเสียของรักเนี่ยหน้าที่เราก็คือปลอบใจเขาให้เขามีกําลังใจสู้ชีวิตเพราะคนเราถ้าเวลาทุกข์เนี่ยคิดถึงพระแต่เวลาสูขเขาก็ลืมเราอันนี้เป็นธรรมดาเลยพระนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ช่วยให้หายทุกข์เป็นเพื่อนยามที่ทุกโศกก็มีหลายคน เวลาเขามีความสุขเขาก็หายไปเวลาเขาไปทุกเขาก็ไม่โทรมาเขาก็เขียนเขียนมาให้ช่วยให้เราช่วยปลอบเขาช่วยให้กำลังใจเขาให้เราก็ต้องฝึกฝนตนเองถ้าเราไม่ฝึกไม่เจริญสติจิตใจเราก็ไม่มั่นคงหรอกเพราะาเราก็อยู่ในโลกความคิดปรุงแต่งอะไรว่าปรุงให้ทุกก็ทุกอะไรว่าปรุงให้สุกก็สุกไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเราเจริญสติบ่อยๆเราก็มีภูมิต้านทาน ความคิดปรุงแต่งก็เป็นนายเราไม่ได้ถึงจะมีมั่งแต่เราก็ออกได้เร็วจากอารมณ์ต่างๆถ้าเราไม่มีเรื่องไม่มีการเจริญสติเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นคงภายในบางครั้งเราจะมีการเพ่งโทษคนอื่นหรือเปรียบเทียบหรือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงผิดบางทีคนเราเนี่ยจะมีทิสายแตกต่างกัน บางคนก็อาจจะดีด้านโน้นบางคนก็อาจจะดีด้านนี้ทุกคนมีความดีหมดอะจะเก่งด้านไหนแต่ถ้าเราเพ่งโทษเนี่ยเราก็จะมองเขาในด้านลบหมดตัวเราเองเนี่ยจะจะแย่เลยเราจะไม่มีความสุขเลยคนนี้ก็ไม่ดีไอคนนั้นก็ไม่ดีคือมองไปทางไหนก็ทุบถ้าเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้ด้วยนะสีเราแก้ไขเธอแก้ไขตัวเราเองใครจะเป็นไงเนี่ยเราแก้ขแก้ไขเขาไม่ได้หรอกพอดีความคิดมันหลอกให้เราไปแก้ไขคนอื่นจัดการคนอื่นไม่ได้หมดเลย เพราะชีวิตของเราจะตั้งอยู่ในกฎของไตรักคือความไม่เที่ยงแม้ตัวเราเองบางครั้งเราจะฝึกยากเลยแก้ไขตัวเองก็ยังยากคือบางทีแก้คนอื่นไม่ได้หรอกแก้ไขตัวเองเราเองแม่ทุกง่ายกว่าอย่างหลวงพ่อพุทธทาคือ เ, เขาต้งเขียนเขียนก่อเราไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่เขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนได้ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าโม่เที่ยค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเต่าเอย๋ยฝึกก็เคยมองแต่ดีมีคุณจริงก่อนนี้ก็ใช้ได้เพราะบางทีเราเพ่งทพ่อคนนู้นคนนี้นะบางทีทุกคนเป็ตัวละครของเราแหละบางทีคนนี้ก็ไปอ้าวคนใหม่ก็มาเพราะาจิตนี้มาอยู่กับเราอะ่ะมันก็เพ่งกันทั้งชาติอะ่ะไม่ได้จบไม่ได้สิ้น พอจิตที่เพ่งโทษเดียวบางทีแม้เพ่งแม้แต่คนเลือกสนิทคนรักก็เพ่งได้นะแม้แต่คู่รักกันนะ่ใหม่ๆก็ดีหรอกเราเรามีตัวละครตัวอื่นเยอะเราก็เพ่งตัวคนอื่นพอตัวละครหมดแล้วก็มาเพ่งตัวเพ่งโทษคนใกล้ชิดวพราะนิสยัยกิเลสจะเป็นอย่างนั้นพอหมดตัวไว้เพ่งมันก็ปรุงแต่งคิดตัวเองอีกแล้วคนที่เพ่งก็ทุกข์แต่เราเห็นความดีคนอื่นแล้วเราจะมีความชื่นชมอารมณ์มันจะเปลี่ยนทนทีเลยเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ ทุกคนก็อยากเป็นคนดีทั้งนั้นอาณาบาดูหนังพระพุทธเจ้ามหาสัตว์เดางโลกเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะสร้างให้ตัวละครยมีความขัดแย้งกันหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเทวทัตแล้วก็อาชาติตูแล้วก็พ่อของเทวทัตแม่ของเทวทัตซึ่งแต่ละคนจะมีความอยากจะครอบครองเมืองกระ บ, บิ่ลพัฒน์อาชาติตูก็อยากจะครอง ของแฟนมาคดโดยโดยรอบโปรโดยโประชนพระเจ้าผีพิสารซึ่งบิดาของตัวเองคือตัวละครจะมีความขัดแย้งส่วนพผู้ธิเจ้าหรือเจ้าชฐฐายเียรธรเนี่ยก็มีความคิดเป็นคนละทางเลยมีความคิดแต่เรื่องจะหาทางออกจากกองทุกข์แล้วก็จะปล่อยวางเชีอยแมวดีทั้งโลกคือความคิดตรงเข้าเทวทัศเทวทัศ์อยากได้เมืองกั บ, บิธั อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ทิ้งเพื่อออกจากสิ่งนี้แล้วตอนหลังคนที่ทาไม่ดีเนี่ยพอฟังถามจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนความคิดเลยสัวละครที่รลายสุดๆเนี่ยจะแพ้ใจความดีของพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนมีความดีอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่เขาหลงผิดเท่านั้นโดยพระพเจ้าจะดึงความดีเขาออกมา ชี้เขเห็นผิดถูกเห็นผิดเขาก็จะเปลี่ยนใจไม่ว่าจะเป็นองคุลิมาเน่าฆ่าคนมาต้องมากมายเป็นพันคนเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนใจได้กลับตัวเป็นคนดีได้หรือโจรร้ายต่างๆหรือคนที่มีวิชาทิฏฐิรุนแรงอย่างาพามที่มีความเห็นผิดบัติบดาพระเจ้าให้เหตุผลมาหักล้างต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ชี้ให้เห็นโทษแล้วก็ใช้ปัญญา สอนให้ถูกจริตเขาเขากลับตัวกลายเป็นบวชและบรรลุอรหันต์ตั้งหลายหลายคนพระเจ้าชนะคนไม่ดีด้วยความดีไม่ได้ชนะด้วยกําลังคือือชนะใจเป็นการชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ต้องชนะใจตัวเองก่อนแล้วถึงชนะใจคนอื่นได้ถ้าเราไปบังคับคนอื่นให้คนอื่นทำตรงนู้นตรงนี้ไม่มีทางเลยฮะมีแต่เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยเราไม่สามารถยึดได้เลยว่าเป็นของเราแม้ตัวเราเองเราก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันแต่ไปได้วยความเสื่อมยึดอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเราก็สามารถปล่อยวางได้คนล้วทุกก็คือยึดตัวกูของกูไอ้นี่ก็ลูกกูไอ้นี่ก็เมียกูผัวกูสมบัติของกู ของของกูอะไรเป็นของกูหมดแหละแต่เราเข้าใจว่าที่จริงแล้วตัวกูของกูมันไม่ได้ไม่ได้มีอยู่จริงมันมันเป็นแค่ความคิดปลุกแต่งมันหลอกพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็มีของมีเรามีทรัพย์สมบัติได้เรามีลูกมีสามมีภรรยาได้แต่เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นปของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็พร้อมจะจากเราไปหรือไม่เราก็จากเข้าไปไม่มีหลักประกรัน ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปล่อยวางได้เวลาสูญเสียหรือเวลาตายเราตายหรือเขาตายการปล่อยวางมีหลายประเภทอย่างมินิทานเซนอยู่เรื่องหนึง่งอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเดินทางไปทาธุระในเมืองระหว่างทางไปเจอลําธารเล็กๆอ ย, อยู่อยู่สายหนึ่งลําธานี้คงไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะประมาณน้องแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงแต่งชุดกิโมโนอยากจะข้ามฝั่งแตก่ก็กลัวปึ๊กลัวเปียกน้ํา ไม่กล้าขามอาจารย์พิสุไชชลาก็อุ้มผู้หญิงคนนี้เอาไปวางไว้บนฝั่งนู้นทันทีเลยโดยไม่ดีรอส่วนลูกศิษย์ที่ตามไปด้วยก็มีฟ้ารู้สึกไม่พอใจอาจารย์มีความรู้สึกว่าวินัยของพระเนี่ยพระห้ามจับตัวผู้หญิงถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตอนนี้ลูกศิษย์ก็เพ่งโทษอาจารย์ล ว, ว่าอาจารย์เนี่ยทผิดวินยัยทั้งคู่ก็เดินทางกันจนถึง บ้านพักคืนนั้นลูกศิษย์นอนไม่หลับเลยอยากไปคุยกับอาจารย์รู้เรื่องไปเคลียแต่ก็เห็นอาจารย์หลับอยู่ก็ไม่กล้าไปกวนจึงปล่อยจนถึงลุ่ ง, งเช้าคืนนั้นลังคืนนัน้ลูกศิษย์ไม่แน่นอนพออาจารย์ตื่นขึ้นมาลูกศิษย์ก็เข้าไปถามเลยอาจารย์ทํำยี้ได้ไงอุ้มผู้หญิงพระวิญัยห้ามไว้อาจารย์ทําไม่ถูกนะอาจารย์ก็ยิ้มแล้วก็ตอบไปว่าข้าเนี่ย ว, วางไว้ตั้งแต่บนตะลิ่งแล้วเจ้ายังไม่วางอีกเหรอ สิทธิ์ถึงเข้าใจเพราะอาจารย์ระวางทั้งจิตไงวางไว้บนตะลิ่งตั้งแต่ปล่อยเอาผู้หญิงวางแล้วคืออยากช่วยผู้หญิงอาจจะผิดวินัยมั่งแต่ด้วยฝวามเมตตาตัวเองก็ยอมผิดเองแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่ลูกศิษย์คิดเพราะลูกศิษย์แต่ยึดมั่นในความดีว่าอาจารย์จะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เหมือนใจเราปรารถนาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งท่านมีชื่อเสียงมากชื่ออาจารย์ฮากุอิน ท่านเป็นอาจารย์ของโชกุนจกักรพรรดิของญี่ปุ่นท่านเป็นพระที่สำรวมแล้วก็มีคุณธรรมมีคนนับหน้าถือตามากแล้วบริเวณที่ใกล้วัดท่านเนี่ยก็มีร้านค้าร้านขายของชำมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแต่ต่อมาไม่นานลูกสาวคนนี้ก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็คาดค้ันว่าท้องกบใครดุด่าว่ากาวอยางรุนแรงหญิงสาวก็ไม่กล้าบอก ปะทออาา้อใครขันถูกบีบคันมากๆก็เลยบอกว่าท้องกับอาจารย์ฮากุอินพ่อแม่หญิงสาวโกรธมากรีบไปที่วัดไปตบไปด่าอาจารย์ฮากุอินด้วยเส้ขาดที่รุนแรงอาจารย์ฮากุอินก็ยิ้มยิ้ ม, มท่านก็บอกว่าอ๋ออย่างนั้นหรือท่านก็ไม่ว่าอะไรคันด่า จ, จะหนําใจแล้วพ่อแม่หญิงสาวก็กลับบ้านไปกาลเวลาผ่านไปหญิงสาวก็คลอดลูกออกมา เป็นผู้ชายน่ารักพ่อแม่ก็นาลูกเนี่ยเอามาให้อาจารย์ฮากูอินเลี้ยงอาจารย์ฮาอินก็จำใจต้องเลี้ยงอะ่ะแต่ตอนนี้ชื่อเสียงของท่านน่าปวนปี้หมดและ้ะคนที่เคยนับถือก็เลิกนับถือมองว่าท่านทำไม่ถูกต้องท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรท่านก็รับเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยความยินดีเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเวลาผ่านไประยะหนึ่งหญิงสาว แม่ของเด็กก็เกิดความร้อนใจพ่อมีความเสื่อมตัวเองเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีครูบาอาจารย์ผู้บริสุทธิ์จึงสารภาพความจริงกับพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ของหญิงสาวได้ฟังเขาก็ตกใจว่าเราเนี่ยร่วมเกินคนบริสุทธิ์ซะแล้วจึงรีบไปที่วัดไปพูดขอโทษขอโพยอาจารย์หาคุณอินทะ ย, ยาเวเหยียดอาจารย์แล้เขายิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอ๋ออย่างนั้นหรือคือไม่ได้ว่าอะไรแล้วพ่อแม่ หญิงสาวก็นาเด็กกลับไ ป, ไปเลี้ยงแล้วต่อมาชื่อเสียงของอาจารย์เฮาอินก็กลับฟื้นกลับเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่ของหญิงสาวไปแก้ต่างให้กับชาวชาวบ้านทั้งหมดอะว่าเป็นการเข้าใจผิดในลกธรรมเนี่ยพอชื่อชื่อเสียงเนี่ยมันมันมันขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้แล้วมันก็ขึ้นไปได้อีกเอาแน่นอนไม่ได้ยึดไม่ได้ลกธรรมก็มีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีดินทามันไม่ขอไม่เที่ยงขึ้ น, น, น, นล ง, ลง วันนี้คนอาจจะชมเราผู้นีอาจจะด่าเราก็ได้นี่พูดถคนคนเดียวกันนะไอ้คนที่รักเราเนี่ยอาจาะเกลียดเราก็ได้อย่างผัวเมียกันรักรักกันปาน่าคืนอะ่ะอยู่กันหลายสิบปีบางครั้งมีข่าวสืก อ, อีกฝ่ายดึงนอกใจพอเผื่อฆ่าฆ่ากันเลยก็มีจากความรักกลายเป็นความแค้นความเกลียดก็ได้มันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอย่าคนที่รวยก็อย่าจนก็ได้ถ้าเกิดเจอเรื่องขึ้นมา อย่างบางบริษัทรวยๆเนี่ ย, ยพอ เ, เกิดอุบัติเหตุหรือถูกฟอ้องร้องขึ้นมาอาจจะล้มละลายเลยก็ได้หรือบางบริษัทที่ว่ายังไม่มีอะไรไปทําอะไรธุรกิจที่ว่าตรงกับตลาดอาจจะรวยเลยก็ได้ยศก็เหมือนกันวันนี้หลานจะมียศคนอาจจะชื่นชมเราพอเราหมดยศคนก็เลิกสนใจเพราะคนเราในโลกนี้ส่วนมากมองเรื่องผลประโยชน์เมื่อจะไปตําแหน่งนายกนายกจะโดนด่าตลอดไม่มีนายกคนไหนไม่โดนด่าหรือพวกรับราชการ พอบอต่างๆเนี่ยซึ่งสามารถอุยผลประโยชน์ให้กับคนต้องมากมายเนี่ยช่วงที่อยู่ในตาแหน่งนคนจะมาเอาของมาให้แม้แต่ตดยังหอมเลยก็จะชื่นชมแต่แตยามขอโทษอะยามที่หมดอํานาจเนี่ยแม้แต่หมากไม่จับมองเลยเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์แล้วทุกที่แม้แต่ภาคก็เหมือนกันถ้าพอเรามียศเป็นเจ้าคุณหรือมียศเป็นพระครูเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ย เจา้าคณภาพคือสาบารเซนแก๊กหนึ่งให้ผมประโยชน์กัคนอื่นได้คนก็มากราบแต่รับหลังอนะ่ะเขาจะนับถือเราจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่หรือเราจะโดนปลดก็ได้ถ้าเราทําไม่ดีพอยศเดี๋ยเขาตั้งได้เขาก็าถอดได้เจ้า ว, ว่าก็เหมือนกันเจ้า ว, วา่าอาจจะมีอํานาจในวัดถ้าทําไม่ดีชาวบ้านก็ไล่ไม่ให้อยู่ ก, ก็มีหลายวัดแล้วที่ที่ลงข่าวอะ่ะหรือทําผิดทําผิดประราชิกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็โดนไล่เพราะไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่บ้านคงเลย สิ่งเราทำได้ก็คือทาําความดีทาําความดีจนเกิดความ อ, อ, อิ่มใจอย่างที่อาจารย์พิสารพูดแล้วแหละพราความดีจะช่วยหล่อเลี้ยงเราให้เรามีกําลังใจทํางานบิดิบิดิสุขแต่งา น, นทั้งโลกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มั่นคงเนี่ยเพราะการปฏิบัติธรรมมั่นคงกว่าอย่างพวกญาติโยมมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้อันนี้คิดถูกแล้วอย่างตัวผมมาก็ทํานะทุกวันนี้อธิษฐานจิตไว้เลยก่อนนอนเนี่ยขี้เกียจขนาดไหนก็ต้องเคลื่อนมืออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง จะต้องเคลื่อนได้ครบหรือเกินด้วยไม่งันห้ามนอนเด็ดขาดทั้งภาษาบางทีอาละวาดเลิกจากการเนี่ยการทวัดเย็นกลับขุดไปเนี่ยบางทีต้อเสียงจารไปสายไปลงเน็ตยนพอรีบทำปุ๊บเอาเกือบสองทุ่มแล้วอันนี้ต้องต้องต้องปิดโทรศัพท์ทุกชนิดอันนี้เราต้องทำความเพียรเราต้องมีกติกาตัวเองถ้าเราเคลื่อนมือไม่ถึงชั่วโมงเราจะไม่นอนถ้าเลิกสองทุ่มครึ่งก็ต้องนู่นเน่ยไปนอนได้สามทุ่มครึ่งถ้าเลิกสามทุ่มก็ต้องนอนสี่ทุ่มเราต้องมีกติกามีวินัยพิเศษ ถ้าเราไม่วินายตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมยากอันนี้เป็นอุบายด้วยนะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เนี่ยกายไม่ฟังร่วมมืออย่างหลวงปู่ดู่ที่ใช้อุบายให้ขี้เมาอะ่ะนั่งสมาธิวันละห้าทีอพอขี้เมานั่งแล้วเกิดเกิดผลการ น, นั่งสมาธิขึ้นมาเกิดปิติเกิดจิตรวมขึ้นมาเนี่ยมันทําเองนะอันนี้จากห้าห้านาทีมันก็ทําเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอัตโนมัติเลยเพราะนี่เป็นอุบายล่อ แต่คอยเรามีสัจจะไว้ก่อนว่ต้องทำทุกวันใหม่ๆจะยากจะฝืนพอเราทํำนี่เราสามารถทําได้วันหนึ่งมากกว่าชั่วโมงนะเพราะว่าจิตมันกลายไปให้ความร่วมมือด้วยเนี่ยมันปฏิบัติเองได้เหมือนเครื่องติดอะ่ะใหม่ๆก็แชะแชะแชะอันนี้ยากเพราะคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบปฏิบัติธทมเนี่ยอาจจะเป็นกรรมก็ได้กรรมที่เคยสะสมไว้กรรมมันไม่ยอมให้ปฏิบัติจะไม่มีนิสัยแล้วเราก็ต้องฝืนกรรมเพราะบางคนยกมือขึ้นหน่อยเดียวก็จะตายแล้วมือมันหนักมากเลย เคลื่อนมือก็หนักแต่บางคนยกแล้วเบาตลอดเดินจงกรมเหมือนกายบางคนตีหนักเดินเจ๊ตายแต่ไปคุยแจะคุยโม้ได้ทั้งวันแต่ถ้าเกิดกายมั น, มนร่วมมือเนี่ยเดินสองชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยเหมือนเครื่องติดอะเครื่องติดปุ๊บเนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยเผือไปคิดมันก็กลับมารู้สึกตัวเพราะโดยธรรมชาติคนที่ไม่ฝึกเนี่ยเวลาเผือไปคิดมันปรุงแต่งยาวเหยียดเลยนะไอ้คนนี้ไปอย่างนี้คนที่ชื่อนี้มันไหลไปเรื่อยแบบไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าคนเริ่มมีสติเนี่ยมันตัดมันจะตั ด, ม, ตดมันจะกลับมารู้ ขยับ ก, กายทีแล้ววิ่งกลับมารู้สึกตัวมันออกจากอารมณ์นั้นได้เพราะจิตมันจะไยแล้วมันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความที่ปรุงแต่งปรุงเนี่ยมันไม่จริงมันหลอกถ้าเชื่อมันเนี่ยบางทีเราก็ไปทะเลาะคนวก น, นี้เผยเผยก็ทําร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตก็มีมีอารมณ์นําหน้าสติตามหลังก็อยู่ในคุกในตารางแหะเยอะแยะหมดเลยหรือเป็นข่าวแต่หน้าสือพิมพ์เพราะการเจริญสติเนี่ยจะมีอันที่ส่งมากกว่า ก, การทําบุญการให้ทานเพราะถ้าการทําบุญอย่างเดียวเนี่ย มันก็มีความสุขนะอย่างามาเนี่ยอรอาที่ซื้อปลาปล่อยช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เราก็มีความสุขแต่ยังดับทุกข์เราไม่ได้ที่ดับทุกข์เราได้ก็คือเราต้องไม่เป็นท่าของความคิดปรุงแต่งเป็นเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งหลังกาลเวลาก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่เราไม่มาฝึกเลยเนี่ยเวลาก็ไม่อาจไม่อาจย้อนกลับเราก็สูญเสียไปโดยปล่าประโยชน์อย่างพวกเราเนี่ยมาอยู่วัดดีมีครูบาอาจารย์มีกระยามิตร สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็สามารถทําประโยชน์ตัประโยชน์ท่านได้เพราะบางคนเนี่ยมาวัดเนี่ยก็ไม่คิดปฏิบัติธรรมอะไรไมาอยู่แบบไม่เต็มใจอย่างการทวารสวดมนต์เนี่ยถ้ายอดญาโ ย, ย, ย, ยมาเต็มใจทํานะวจะมีอที่ส่งมากเลยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เบื่อจะได้ความรู้จากการสวดมนต์จากการฟังธรรมหรือจากการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราจําใจมาทําเนี่ยเราตกลกชั่วโมงเลยบิดาะสึกว่าเราไม่ทาเดี๋ยวเจ้าว่าจะไล่เราออกจากวัดเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ที่ผิดพลาดมากการทํางานเหมือนกันการทํางานถ้าเราทําด้วยความเต็มใจในงานมีปิติหล่อเลี้ยงมีบุญกุศลอยู่เราทําเองโดยบีดใครบังคับไปทําเนี่ยแค่ทำํำเราก็มีความสุขทําเสร็จแล้วเราก็มีความสุขแต่เราทําด้วยความจําใจหรือทําว่าถูกถูกบังคับทำเพราะอยากได้รางวัลตอบแทนแค่คิดก็ผิดแล้ว อนุญาสังเกตเลยชาวบ้านอนรมาจ้างให้มาช่วยทํางานเนี่ยเ ข, เขาเขาจะมองเรื่องค่าจ้างนั่นแหละเขาไม่ได้ทําให้เราด้วยความจริงใจผิดกับพระพระนี่ทํางานไม่ได้ค่าจ้างแต่ลุยแหลกแป๊บเดียวเสร็จทุกงานที่พระทํำในวัดเนี่ยพระพระทําโดยไม่ระหว่างคนตอบแทนทุกคนทำเพราะมีพรสิทธิ์ก็อยากจะทาจะแตกต่างกันมากเลยประวัะติกรรมกรพระทํางานได้ไปกรอบเป็นกรรมเลยแั๊บแเดียวเองหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยพาน้องๆเข้ามาช่วยกันทําเคลียร์ทางที่เข้ากุฎหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะ ทั้งที่ต้นไม้ล้มปิดทางหมดถ้าเป็นชาวบ้านมาทําหรือเป็นคนอื่นมาทำเนี่ยไม่แป๊บไม่แป๊บหรอกพ้าทาด้วยใจที่แป๊บเดียวอยากทําเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนเขาก็มีความสุขแล้วได้ทําหน้าที่ทั้งการทําอะไรด้วยจิตอาสาเนี่ยถ้าทําเป็นนะก็จะได้บุญกุศลมากเมื่อจะเป็นการช่วยทําอาหารช่วยล้างจานช่วยถูสาลาเก็บฝาดใบไ ม, ไม้ต่างๆเนี่ย แล้วเราทาเสร็จปุ๊บเรามาปฏิบัติธรรมก็ง่ายเลยนะเพราะจิตมันอยู่ความสุขอะเหมือนกับว่าเป็นต่ อ, ต, อต่อยอดบุญยอดกุศลอย่างเราฝาดเป็นไม้ชั่วโมงหนึงอะแล้วเรามาเคลื่อนมือเนี่ยช่วงนั้นฝาดที่ปุงแต่งไม่ค่อยกลัวเราเท่าไหร่หรอกเพราะขณะฝาดเราก็สามารถเจริญสติได้ทํางานเราก็เจริญสติได้อันนี้อยู่ในนอกรูปแบบแต่ได้รูปแบบเราเราไม่ทิ้งเพราะเราทิ้งเราก็ประมาทอย่าตัวละมาเนี่ยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนะถึงจะเป็นผ้าไอทีก็เหอะ อันวันภาพลักเป็นผ้าไอทีแต่ว่าเป็นผ้าไอทีที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ก็น้อยเพราะการเจริญสติเนี่ยถ้าใครมีสติก็เป็นเพื่อนแท้แม้ในยามตายก็ต้องใช้เลยแต่ถ้าเราไม่มีสติตอนอยู่ก็มีปัญหาตอนตายก็ขาดความมั่นใจต้องไปตามยาถากรรมเพราะบุคศลต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยสติชักนํามาเหมือนกันถ้าเราไม่มีสติ เราก็ไม่ไม่สามารถลากอาบุญกุศลมาได้บางทีไปคิดเรื่องไม่ดีเคยทะเลาะอะไรใครไว้ไปคิดเรื่องทําบาปเนี่ยไปสู่ทุกขติได้เลยนึกไม่ได้หรอบางทีอุตส่าห์ทำงานมาตั้งมากมายช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาทําบุญกุศลตักบาทพระมันนึกไม่ออกแล้วเพราะจิตมันจะไปเคยชินกับไอ้ที่เราทำซ้ๆซากๆกับชีวิตประจําวันบางคนเนี่ยเป็นอัตโนมัติเลยนั้นเราก็ต้องทาให้เป็นอัตโนมัติเหมือนกันอย่างกายจตติเนี่ยถ้าเราทํามากๆเนี่ย แม้แต่ยามฝันมันอาจจะไปยกมือเลื่อนจังกลมในฝันก็อันมาเคยเป็นนะบางช่วงที่มันฝันขึ้นมาเรารู้สึกตัวเนี่ยเราเคลื่อนมือต่อได้ฝันเลยมันจะสร้างนิมิตอะไรเราก็ไม่สนใจมันเราก็รู้สึก่ยกมือจนนิมิตอันดับไปเลยอันมาคิดว่าจิตตอนตายน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะมีนิมิตมาหลอกเราถ้าเรารู้สึกตัวได้เนี่ยเราเลือกเราเลือกพบภูมิได้เราปล่อยวางได้แต่เราไม่มีสติเราเราอยู่ในพภูมินั้นแหละออกไม่ได้หรอกจนกว่าจะหมดเหตุอย่างบางคนด่าเราเนี่ย ถ้าเรามีอุปทานมากมีความยึดถือตัวกูของกูมากเนี่ยปีดึงก็ยังไม่หายเลยด้วยคําไม่กี่คําเนี่ยบางคนก็หลายปีสิบปีก็ไม่หายก็มีแต่บางคนถ้ามียึดความยึดถือตัวกูของกูน้อยเนี่ยเอาดาบแป๊บเดียวพอเลิกกันไปก็จบตรงนั้นแหละมันไม่มาติดใจงนั้นความยึดถือของคนเราจึงมีไม่เท่ากันใครยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยใครไม่ยึดก็ไม่ทุกแต่ความโกรธมีทุกคนแหละแต่ใครมีมากมีน้อยหรือความยึดถือถ้าปล่อยวางเป็น ชีวิตมันก็เบาสบายถ้าปล่อยวางไม่เป็นมันก็แบกของหนักตลอดมีเรื่องมีราวมากมายนั้นธรรมะเรืองปล่อยวางจึงเป็นเรื่องจําเป็นสำหรับทุกคนอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรเก็บเวลาก่อนจบก็ท่องกรของหลวงพ่อพุทธทาสยอยมฟังกรนหนึ่งก่อนตัวกูของกูอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอเป็นผีโผล่าได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้ เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนทั้งตัวกูและตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปานีหน้าที่ขายทำให้ดีเท่านี้เอ๋ยขอความสุขความเจอทําจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่าน